<สน>าการเจริญสตินี้เป็นการเขย่าธาตุรู้ ของบุคคลนั่นเองซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนยกเว้นไม่ได้หลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพ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 ปัญหาทางด้านร่างกายสุขภาพกายแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจสุขภาพจิตเรื่องของความคิดคิดปรุงแต่งแปลอารมณ์ต่างๆมีความท้อแท้หดหู่เศร้าหมองอันนี้เกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจทั้งนั้นอารมณ์เหล่านี้ก็จะมาครอบงนใจเล ย, ย เ, เสมอๆการทำงาน กับบุคคลรอบข้างบาง้งจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันหดมิดอิดอัดคัดเคืองอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นใจเรยจึงไม่มีความสุขเราจึงจะเน่ต้องขย่าทาตรู้ในจิตใจของเรากินนอนนิ่งให้งเตืนเต่นรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ทันเหตุการณ์ต่างจิตเราเนี่ยมี รมถึงดยกันเป็นหกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุธาตุทั้งห้าเนี่ยคือส่วนของร่างกายตัวนีาหนึ่งสาคัญมากก็คือวิญญาณวาตเเญญาณวาทีิาวิญญาณวิญญาณวิญญาณวนาณวิาณวิาณวิาณวิญญาวิาณวิาณวิญญาณวิญญาณวิญาวิญญาณวิญวา ความรู้สึกต่างๆที่มีในคนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ถ้ารู้เนี่ยมันอาจจะรู้ได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยให้เสิ่งนี้ได้แสดงตัวออกมาเวลามีอารมณ์ต่างๆมาครอบงาจิตใจเช่นสุขภาพกายไม่ดีมีโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนร่างกายใจก็เป็นทุกข์เพราะกายเป็นทุกข์จิตใจก็พอเป็นทุกข์ด้วย เกิดความเศร้าหมองบางทีมีอารมณ์ต่างๆมากระทบความไม่พอใจความกิดขัดขัดเคืองสิ่งนี้มันปรุงจากหน้าจิตใจมันครอบงาำลาดรู้หมดเลยแต่การเจริญสติสามารถปลุกสติปลุกภาตรู้ที่มันนอนนิ่งในจิตใจให้มันตื่นตื่นรู้เท่าทันในทุกทางกาย เตือนรู้เท่าทันในทุกทางจิตที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาพนะอถ้ารู้ตึ่นมาแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็จืดจางไปมันกเกิดสติปัญญาเห็นแ้งในความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆและความไม่เที่ยงต่อสิ่งท่งหลาทั้งปวงเนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสติปัญญาเนี่ยที่ว่า ปลุกขึ้นมาจากธาตรู้เนี่ยเป็นผู้ที่เห็นอาจารเหล่านั้นเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็ทําให้เราไม่เข้าไปเป็นาอาจารย์เหล่านั้นมันก็จะไม่ยึดติดมันก็จะมีแต่ความผ่อนคลายความเครียดทางด้นจิตใจไม่มีพอธาตรู้เป็นเชตรนั้น่ด้วยการปลุกทยาวของสติทําให้สิ่งต่างนี่มันเกิดจากลงไปความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยลง ใจมันก็ผ่อนคลายสบายมันก็เริ่มมีความสุข ใ, ในชีวิตจาบันอะไรเนี่ยสามารถทาแบบนี้นนได้ทุกเวลาทุกสถานที่เราต้องฝึกฝึกกับสิ่งที่มันไม่พอใจกับเราฝึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหากระจืตเราเนี่ยยันใดที่เราทำงานอยู่เมื่อจิตใจมีความโกรธถ้ามีสติสักหน่อยหนึ่งในการปกท้ท์เข้าติสักหน่อยหนึงที่ความโกรธมันก็จะหายไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเั้ืนนั่นจิตใจความไม่พอใจความสงสัยเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเสี่ยเหล่านั้นก็จะจิตจางไปความคิดที่มันปรุงแต่งไปอารมณ์ต่างๆถ้ามีสติรู้ทันในความคิดความคิดมันก็จิตจางไปมันก็ผ่อนคลายลงไปมันถ้าไม่จิตเราเนี่ยไม่พักผ่อนชั่วขณะ น, นทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตจะได้พักผ่อน ทุกครั้งที่มีสติจิตก็จะได้พักผ่อนชั่วขณะหนึ่งเมื่อติดก็คิดต่อไปเมื่อจิตมันคิดในสติรู้พอคิดนั้นก็ดับไปก็มีแต่เพราะที่รู้เกิดทิ้งแต่นี้การทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้ออกใจความชํานาญชํานาญในการที่จะรู้สึกชํานาญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยา ก, การปฏิบัติจะเป็นการฝึกจริง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 อยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่เลือกสวนไรเนาอยู่ในรถยนต์ dried. ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเต่อยู่อย่างไรอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองกัะนั้นเราก็จะไม่มีความสุขอยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ที่วัดก็ไม่มีความสุข อยู่ในการขาดสติอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นส้ำกันที่ว่าอยู่อย่างไรนี่เราเลือกได้ว่าอยู่อย่างไรอยู่ให้มีความสุขหรืออยู่ให้มีความทุกข์หรืออยู่ให้มีสติหรืออยู่ให้ขาดสติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกบางครั้งเนี่ยสถานที่นี่เราเลือกไม่ได้แต่จิตใจเนี่ยเราเลือกได้ผมม่อยู่เือตาสุกโตใหม่่ ตอนแรกก็อยากจะมามาปราสรุกโต้ตนี่ยดีอย่างนั้นดอย่างนี้อยากจะมาพอมาถึงวันแรกนีงผมก็อยู่ในกุดกุดชั่วคราวนะที่เป็นเหมือนห้องเก็บของเนะี่ยเล็กเล็กแคบแคบมีช่องหน้าต่างเป็นแค่เพียงช่องลมไม่มีหน้าต่างมีช่องลมความรู้สึกเราเหมือนอยากรอยู่ในในคุกนั่น พมันแคบแล้วเกินเป็นกุดชั่วคราวจะทำยังไงได้เราไปอยู่แล้วแต่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ดีแล้วมันแคบแคบมันเล็กเลก็มันไม่มีหน้าต่างมองไม่เห็นอะไรเลยก็ดีแล้วเราจะอยู่แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือกำแพงอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันบิดบังปิดกัน้นสายตาเรา คิดว่าอันเนี้ยมันบ้าของเราซะอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขตัวเนี่ยบางครั้งขณะที่ว่าต้องถามคุณพ่อนะว่าเขาหนอกมีแสงแดดไหมมันส่องใสเพราะข้างในมันมืดมามีแสงรอดไปนี่ขนาดนั้นแต่ก็อยู่ได้อยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยความสุกตัวเนี่ยที่ไหนก็อยู่ได้พาอยู่แล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นปกติสบายใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่าน ชีวิตเราเนี่ยังทีมันเลือกไม่ได้จะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่ได้จิตใจอย่างไรเท่านั้นถ้าอยู่ได้จิตใจที่เป็นทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดายแต่ถ้าอยู่ใด้จิตใจที่เป็นสุขเราก็สุขอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าจะอยู่ให้จิตใจที่เป็นสุขนั้นจะยังไองก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัว